ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ที่พระเจ้าได้ให้เกียรติข้าพระเจ้าเองมารับใช้พระเจ้าทำกันพี่น้องนะคะเมื่อมาที่นี่ข้าพระเจ้าก็รู้สึกเป็นครอบครัวเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็เติบโตที่นี่ตั้งแต่ยังเล็กนะคะยังเล็กนี่คือหมายถึงความเชื่อ ย, อยังเล็กนะคะเนื่องจากข้าพระเจ้าเองหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะในเรียกกันบ่อยๆว่าลูกตานนะคะหลายหลายคนที่ อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพิ่งมาใหม่ก็ตามนะคะอาจจะไม่รู้จักว่าคนนี้คือใครนะคะขอเกิรนแนะนำตัวก่อนนะคะว่าลูกตาล น, นะคะเกิดในครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็โดยมีคุณแม่กับพ่อนะคะที่เป็นผู้นำความเชื่อมาก่อนหลังจากนั้นมีโอกาสได้เติบโตขึ้นที่คดจักแห่งนี้นะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่น่ารักก็คือน้าอานะคะ ไม่รู้รู้จักเล็กมะนาวหรือเปล่าแต่อาจจะคุณอาดศิทธิ์อาจจะรู้จักนะคะผู้เป็นอคอรัสของเรานะคะแล้วก็พี่นกนะคะได้เลี้ยงเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณตั้งแต่ลูกตาลกับมิโกะนะคะซึ่งเป็นน้องสาวยังเล็กนะะเราไม่รู้อะไรเลยแต่เราเรียนรู้จักพระเจ้าเรียนรู้จักความรักของพระเจ้าประสบการณ์ที่พระเจ้าทํางานในชีวิตของพี่นกกับมะน า, าผ่านถ่ายทอดมาถึงตัวลูกตาล น, นะคะเราได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เติบโตทำการคิดจักตั้งแต่ยังเด็กอาจารย์เสมอใจก็มีส่วนในการที่หล่อหลอมชีวิตลูกตาลเองเช่นกันเมื่อเติบโตขึ้นลูกตาลเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ตอนเข้ามหาลาัยปีหนึ่งะคะอายุ17จดนะคะจนถึงวันนี้ก็20สกว่าเกือบ20ปีนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าหล่อลอมผ่านทางพี่น้องผู้เชื่อที่นี่สิ่งแรกที่มาที่คิดจักที่นี่และลูกตาลรู้สึกว่า อยากมาอีกตอนนั้นยังไม่เชื่อพระเจ้านะคะนั่นคือความอบอุ่นค่ะความรักของพี่น้องที่นี่ทำให้เรารู้สึกว่าคริสเตียนน่ารักแล้วก็อบอุ่นจนกระทั่งวันนี้พระเจ้าก็ใช้ผ่านเสมอใจที่วิกาได้ให้แกศรุตานวิกาได้รับใช้พี่น้องที่นี่เมื่อกลับมาที่นี่อย่างที่บอกรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องให้มองลูกตาลเป็นลูกหลานอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้แล้วก็มีโอกาสได้แบ่งปันพระเจนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องในวันนี้สิ่งหนึ่งที่วันมั่นใจเสมอเลยทุกครั้งเมื่อเราอ่านพระเจนะของพระเจ้าทุกครั้งที่เราไปากลุ่มเซลล์ไปนมัสการพระเจ้าหรือมาวันอาทิตย์นมัสการพระเจ้าตั้งแต่อ่านพระเจนะของพระเจ้าอธิษฐาน ตลอดจนฟังคำเทศนาพระเจ้าได้ใส่ถ้อยคาพิเศษเฉพาะเจาะจงสำหรับพี่น้องทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราพร้อมที่จะเปิดใจรับเอาพระจชนะด้วยท่าทีที่จดจ่อหรือไม่พระเจ้าจะใส่ถ้อยคาบางอย่างพระเจ้าจะให้คำหนุนใจบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงสาหรับแต่ละคน ฉะนั้นเมื่อเลิกนมัส ก, การบางคนอาจถามว่าวันนี้อาจารย์เทศนาได้อะไรคนนี้อาจจะบอกว่าได้สิ่งนี้อีกคนนึงอาจจะบอกว่าได้อย่างนี้แต่ละคนได้ไม่เหมือนกันนั่นเพราะว่าพระเจ้าได้มีสิ่งเฉพาะเจาะจองสําหรับเราไว้สําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอจดจอดที่พระเนะของพระเจ้าเสมอเราจะรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สาหรับเราวันนี้วันอยากจามีโอกาสแบ่งปัน เพระฉนัของพระเจ้าในพระธรรมมารโกนะคะขอเชิญพี่น้องเปิดด้วยกันนะคะพระธรรมมารโกบทที่สิบข้อที่สามสิบห้าถึงสี่สิบห้าพระธรรมมารโกบทที่สิบข้อที่สามสิบห้าถึงสี่สิบห้าเมื่อพบแล้วเราจะอ่านสลับกันนะคะเดีางเขาพระเจ้าจะอ่านก่อนแล้วที่ประชุมอ่านข้อต่อไปมารโกบทที่สิบ ข้อที่35ถึง45หหัวข้อนะคะคาทูลขอของยากอบและยอนฝ่ายยากอบกับยอนบุตรของเสบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่าข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทร ง, งกระทำตามคําขอของข้าพระองค์ เขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงพระสิรินั้นขอให้ข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งเขาทั้งสองทูลตอบว่าได้พระเจ้าค่ะพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า ถ้วยซึ่งเราดื่มท่านดื่มเป็นแน่และปฏิสมาที่เรารับท่านจะรับก็จริงเมื่อสาวก1ิบคนได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองยากอบและยอน ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายเพราะว่า บ, บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปริบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปริบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นฆ่าไทยคนเป็นอันมากร่วมใจอธิษฐานคะ่ะข้าแต่พระบิดา ครับผมขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้จิตใจของเราสงบลงจำเ พ, พาะผักของพระเจ้าเพื่อให้หัวใจของเราพร้อมอยู่เสมอที่จะรับเอาพระเจนะของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการที่จะตรัสกับข้าพรองค์ทั้งหลายแต่ละคนตามน้ำพระทยัยและให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นฝังอยู่ในชีวิตของข้าพรองค์และอย่างรากลึกลงไปเพื่อชื่นข้าพรองค์ทั้งหลายจะเติบโตและเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเพราะเจนะตอนนี้นะคะได้พูดถึงตอนที่ยากรบกับยอนนะคะมีกัดได้ขอกับพระเยซูเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นใหญ่แล้วเขาก็ขอกับพระเยซูว่าพระองค์ค่ะพระองค์เนี่ยถ้าวันนั้นที่พระองค์บอกวันที่พระองค์ทรงพระสิริเนี่ยขอค่ะพระองค์ที่จะอยู่ข้างขวาคนนึงข้างซ้ายคนนึงได้ไหม ยากบกับยอนเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นคนเดียวกับที่เป็นชาวประมงที่พระเยซูทรงเรียกตั้งแต่แรกเรียกเป็นสาวกและเขาก็ละอวนติดตามพระองค์ไปสองพี่น้องนี้ก็ขอกับพระองค์บางเล่มนะคะในแมทธิวก็จะพูดว่าแม่ของเขามาขอเขาขอพระเยซูว่าขอได้ไหมอยากจะนั่งข้างขวาคนนึงซ้ายคนนึงพระเยซูก็บอกว่าที่ท่านขอเนี่ย ท่านไม่เข้าใจขออย่างไม่เข้าใจแต่ว่ายอนกับยากอบก็บอกยืนยันนะคะว่าเข้าใจแต่พระเยซูบอกว่าท่านขอเนี่ยท่านจะรับได้จริงเหรอเขาก็บอกว่ารับได้พระเยซูก็บอกว่าใช่สิ่งที่ท่านรับได้ก็จริงพระเยซูกำลังหมายถึงความตายที่เขาจะต้องไปหลังจากที่เขาได้รับใช้พระเยซูอย่างสุดกําลังหลังจากที่พระเยซูทรงสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ทั้งสองคนนี้มั่นใจและออกรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เขายอมถวายตัวสุดชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของเขาเขาก็ยอมตายเพ ร, พร่พระองค์เพรซูกาลังหมายถึงสิ่งนี้มากกว่าแต่สิ่งที่ทั้งสองคนขอเพรซูบอกว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้สําหรับเขาแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเขาหลังจากนั้นสาวกที่เหลือได้ยินก็รู้สึก คุณเคืองใจไม่ถึงกับโกรธนะคะแต่คุณเคืองใจพระเยซูเห็นดังนั้นพระเยซูก็เรียกทุกคนเข้ามาและก็พูดสอนเขาสุดท้ายพระเยซูก็ยกตัวอย่างพระองค์เองว่าพระองค์มาในโลกใบนี้ไม่ใช่มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่พระองค์มาเพื่อจะปฏิบัติคนเป็นอันมากแล้วก็ประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค้าไถญ่เขาด้วย สิ่งที่จะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะทุ่านเองเห็นถึงคริสเตียนที่เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงโดยมีพระเยซูเป็นแบบอย่างฉะนั้นจะให้หัวข้อในวันนี้ว่าเป็นคริสเตียนอย่างพระเยซูเป็นยังไงเป็นคริสเตียนอย่างพระเยซูคําว่าคริสเตียนก็คือผู้ที่ติดตามพระคริสต์อยู่แล้วแต่บางครั้งเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นอย่าง ตามอย่างพระเยซูเราเป็นคริสเตียนที่บางครั้งให้พระเยซูเหมือนกับอยู่บนหิ้งอยู่ที่โบสถ์แล้วเราก็ออกไปตัวปเปล่าๆไม่ได้ให้พระเยซูติดอยู่ในชีวิตของเราแต่วันนี้พระเยซูได้สอนบางสิ่งถึงการเป็นคริสเตียนแบบพระองค์และพระองค์ก็เป็นแบบอย่างอย่างแรกนะคะ ขอในสิ่งที่พระเยซูต้องการในข้อที่36บอกว่าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งสองปรารถนาจะให้เราทำสิ่งใดให้ท่านพี่น้องได้ยึดเสมอใช่ไหมคะพระคมภีสอนวาเวทิบริเจทข้อเจ็ดนะจงขอเราจะได้ใช่ไคะจงหาเราจะพบจงเคาะและประตูจะเปิดให้แก่ท่านพระเยซูก็สอนให้ขอพระคมพีบางตอนก็บอกว่าสิ่งที่เราเองจะขอ พระเยซูพระเจ้าก็ทราบถึงความปรารถนาที่อยู่ในใจของเราก่อนที่เราจะขออีกพระเยซูทราบแต่พระเยซูต้องการที่จะให้เราขอต้องการให้เราพูดพคุยกับพระองค์แต่ในตอนนี้แตกต่างค่ะแตกต่างตรงที่เราเองจะต้องขอในสิ่งที่พระเยซูต้องการเมื่อเราขอในสิ่งที่พระเยซูต้องการพระเยซูก็พร้อมค่ะที่จะใหค้คำตอบกับเราเสมอพระเยซูพร้อมที่จะตอบคำฐานกับเราเสมอ ยากอบกับยอนเนี่ยเขาขอเพื่อสนองความอยากความต้องการของตัวเองและในที่สุดสุดท้ายเขาเองก็รู้และเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาขอเนี่ยมันเป็นการขอเพื่อสนองกิเลส ข, ของตัวเองนะเขาไม่ได้ขออย่างที่พระเยซูต้ตองการฉะนั้นเมื่อเราขอผิดเราขออะไรที่ตอบสนองกิเลสตัวเองเราเองก็จะไม่ได้อย่างแน่นอน ยากบเข้าใจในจุดนี้สุดท้ายเขาเองก็เขียนในพระธรรมยากร บ, บทที่สี่ข้อที่สามบอกว่าท่านขอแล้วท่านไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านเองสุดท้ายเขาเข้าใจทุกวันนี้เราเข้าใจไหมคะสิ่งที่เราขอพระองค์ทำไมเราบางครั้งเราขอแล้วยังไม่ได้ให้เราลองมองกลับไปว่าสิ่งที่เราขอเราขอเพื่ออะไรคำอธิฐานของเราเราขอเพื่ออะไรขอเพื่อตัวเองไหม ขอสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราไหมขอในสิ่งที่สุดความสามารถของเราไหมขอเพื่อผู้อื่นไหมหรือขอแต่เฉพาะเพื่อตัวเองอย่างเดียวการขอสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราพระเจ้าให้แน่นอนคะ่ะแต่สิ่งที่เกินความจำเป็นต่อชีวิตพระเจ้าก็เห็นว่าไม่สมควรจะให้เช่นเราลำบากมากในการเดินทาง ไม่มีรถที่จะไปทำงานหรือไปหลายๆที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าประทานรถให้แก่เราพระเจ้าประทานให้ค่ะแต่ถ้าเราอธิษฐานพระเจ้าลูกขอเบนท์เพื่อจะเดินทางไปทำงานหรือไปรับใช้พระองค์ถ้าเบนท์ไม่ได้ขอบลโว่ก็ได้พระองค์เจ้าค่ะสิ่งนี้มันเกินความจาเป็นกับเราพระเจ้าไม่ให้ ขออาหารพระเจ้ามือนี้ลูกไม่มีตังเงินเรียนเหลืออยู่ห้าบาทขอพระเจ้าประทานอาหารให้แก่ลูกพระเจ้าให้พระเจ้าลูกมีตังห้าบาทลูกหิวมากเลยขอประทานพิซซ่าให้แก่ลูกในบริบทคนไทยนะคะพระเจ้าก็คงไม่ให้พระเจ้าอยากให้เราขอในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตของเราขอในสิ่งที่สุดความสามารถของเราอะไรที่อยู่ในความสามารถของเราเราทําได้พระเจ้าไม่ช่วยหรอคะ่ะ พระเจ้าอยากให้เราแข็งแรงเรามีโอกาสได้ดูแลคนป่วยนะคะดูแลคุณยายเขาช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเช่นเดินอย่างยิ่งเดินไม่ได้แต่ลุกขึ้นเนี่ยลุกได้แต่คนแก่ก็ขี้อ่อนใช่ไหมคะก็พยายามจะจับจับให้หน่อยช่วยหน่อยถ้าเราช่วยอยู่บ่อยๆเขาเองก็หมดกําลังถ้าเราช่วยอยู่บ่อยๆเขาก็รู้สึกว่าครั้งต่อไปไม่ต้องทําละ เดี๋ยวก็มีคนทำให้แต่เราต้องปล่อยให้เขาช่วยตัวเองค่ะอาจจะช้าหน่อยแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นนั่งได้ทำนองเดียวกันพระเจ้าก็ต้องการให้เรามีกำลังด้วยตัวของเราเองเพราะพระเจ้ารู้ลิมิตในชีวิตของเรารู้ลิมิตว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้าเราขอในสิ่งที่สุดความสามารถของเราแล้วสุดมือของเราแล้วพระเจ้าจะทาแต่ถ้าเราขอในสิ่งที่ยังอยู่ในมือของเราอยู่พระเจ้าไม่ทาค่ะ อีกอย่างหนึ่งขอเพื่อผู้อื่นเราเคยขอเพื่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนรชอบนะคะคำสอนของอาจารย์เสมอใจที่บอกว่าบางทีเราขอแต่ตัวเองอยากให้เราเรียนรู้จักที่จะขอเพื่อผู้อื่นบ้างมองความมองข้ามความต้องการของตัวเองและมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรมีเพลงด้วยนะคะเมื่อเราขอเพื่อผู้อื่นพระจะฟัง เมื่อเราขอเพื่อแผ่นดินของเราขอเพื่อจังหวัดของเราขอเพื่อประเทศของเราพระเจ้าจะทรงฟังฉะนั้นสิ่งแรกที่พระเยซูอยากจะให้เราเป็นคริสเตียนแบบโปรงค์คือขอในสิ่งที่พระเยซูต้องการอย่างที่สองพระเยซูอยากให้เราเป็นคริสเตียนที่ไว้วางใจในพระองค์ในข้อที่สาสิบแปถึงข้อที่สี่สิบนะคะได้บอกว่า พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าที่ท่านข อ, อนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่าได้พระเจ้าค่ะพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าถ้วยซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มเป็นแน่บัพติศมาที่เรารับท่านจะรับก็จริงแต่ที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แ ต, แต่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับผู้ใดก็จะให้ผู้นั้น พระสยูบอกกับยอนกับยากรอบว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรให้พระเจ้าไม่ต้องแนะนําพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการทุกอย่างพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราเองไม่ต้องห่วงไว้วางใจขึ้นสวรรค์แน่นอนได้อยู่บนบอลลังกับพระเจ้าแน่นอนไม่ต้องจัดการให้กับพระองค์ไม่ต้องชี้แนะพระองค์เพราะพระองค์จัดเตรียมไว้กับเราขอให้วางใจพระองค์เชื่อใจพระองค์ มองมุมในชีวิตของเราท่ามกลางชีวิตของเราที่เราเจอปัญหาความวุ่นวายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานครอบครัวเพื่อนรอบข้างปัญหาเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราเรามีเจ้าเราต้องไม่มีปัญหาสิสิ่งนี้ผิดคะ่ะแม้เราจะรู้จักพระเจ้าแม้เราจะเชื่อในพระเจ้าเราเองก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ท่ามกลางปัญหา เรามีพระเยซูที่จะพาเราฝ่าปัญหานั้นไปได้ขอเพียงแค่เราเรียนรู้จักที่จะไว้วางใจกับพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ละความกังวลกวายทุกอย่างไว้ให้พระองค์พูดเหมือนดูง่ายใช่ไหมคะบางคนบอกว่าพูดง่ายแต่พอถึงจริงมันยากนะแต่เ่าเชื่อเชื่อมัน่นอย่างแน่นอนว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนมีประสบการณ์มาก่อน เราจะสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้สุดใจเมื่อเราทําอะไรไม่ได้รันยกตัวอย่างนะคะพี่น้องเคยเอานาฬิกาหรือของอะไรไปซ่อมไหมคะมันเสียแล้วเอาไปซ่อมไหมคะล่าสุดรนันโอกาสเอานาฬิกาไปซ่อมนะคะเมื่อนาฬิกาของเราเสียแล้วเราเอาไปซ่อมพอเราเอาไปฝากที่ช่างให้ช่างซ่อมพี่น้องเคยนั่งเฝ้าช่างแล้วบอกว่าเออช่างตรงนั้นมันเสียมันต้องทําอย่างนั้นต้องเปลี่ยนอย่างนี้ต้องอย่างนี้นไหมคะเคยไหมคะ หรือกังวลไหมช่างจะซ่อมยังไงนะกังวลไหมคะไม่เราก็ฝากไว้ที่ช่างแล้วเราก็รอวันนัดอ้ออีกสองวันมารับโอเคอีกสองวันเราก็มารับได้นาฬิกาใหม่มาละอยากให้ชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นปัญหาหรอความวุ่นวายในใจหรอภาระหนักต่างๆหรอสุดกําลังของเราหรือเปล่าสุดกําลังแล้วฝากไว้กับพระเจ้าเหมือนฝากไว้กับช่างซ่อมนาฬิกาแล้วสุดท้ายก็ ปล่อยรอเวลาให้พระเจ้าเคลียร์ทุกอย่างแ ต, ต่องดำเนินชีวิตองก้าวต่อก้าไปเรื่อยๆเราเห็นอีกอย่างหนึ่งคือพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเราบางคนบอกว่าแต่แผนการของพระเจ้าทําไมมันคุกทรมานเหลือเกินในชีวิตชั้นตอนนี้นั่นเพราะเราสายตาสั้นค่ะพี่น้องแต่พระเจ้ามองการไกลกว่านั้น สายตายาวกว่านั้นพี่น้องเคยผ่านถนนเส้นจากพิษณุโลกไปนครสวรรค์ใช่ไหมคะมันจะมีบางช่วงที่ขรุขระแต่บางช่วงก็จะลง่งบางช่วงที่ขรุขระเรารู้สึกว่าโอ้ยรถฉันจะเป็นยังไงเนี่ยมันทุกข์ทรมาร์หลือเกินมันรถมันขรุขระมันไปได้ช้ามันลําบากหลือเกินแต่สุดท้ายทางข้างหน้าราบเรียบเสมอ น, นั้นพระเจ้า มองการไกลแต่เราสายตาสั้นเมื่อคนสายตาสั้นก็ be, ต้องพึ่งคนที่รู้ทุกอย่างไว้วางใจคนที่ช่วยได้ทุกอย่างนั่นคือพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีไม่เพียงแค่แผนการที่ดีแต่พระองค์ยังมีแผนการที่ซับซ้อนในชีวิตของเราด้วยพี่น้องสัมผัสได้ไหมคะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ซับซ้อนในชีวิตของเราบางอย่างก็อธิบายไม่ได้แผนการของพระเจ้าซับซ้อนเกินกว่าที่เราเข้าใจรูกตามมีเกล็ได้รู้จัก พี่คนหนึ่งนะคะก็เป็นคนเงียบๆ เ, เนาะแต่ก็เรามีการได้สร้างสัมพันธ์กับเขาเรื่อยๆมีลูกสาวอยู่คนเดียวนะคะหัวแก้วหัวแหวนเลยลูกสาวกําลังเป็นวัยรุ่นเริ่มมีแฟนนะคะเป็นเป็นลูกคนจีนด้วยวันหนึ่งลูกสาวบอกว่าอยากจะพาเพื่อนหนุ่มขึ้นไปนั่งติวหนังสือบนห้องเพราะติวข้างล่างไม่ได้เดี๋ยวญาติๆครอบครัวเห็นไอคนเป็นแม่ก็เฮ้ยไม่ได้ ด้วยความเป็นลูกคนเดียวเอาตามใจแต่เด็กเขาก็เอาแต่ใจไม่ได้แม่จะต้องขึ้นแม่ก็กังวลทำยังไงดีไปอ่านที่อื่นไม่ลูกไปที่คนเยอะๆไหมไม่เอาจะขึ้นไปข้างบนห้องจะอ่านข้างบนห้องแม่ก็เครียดเลยพอดีไปเยี่ยมเยียนเขาก็ปรึกษาว่าเนี่ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนมันจะมาแล้วเนี่ยขึ้นไปอ่านหนังสือบนห้องแล้วมันก็ สองต่อสองมันไม่ดีเลยกลัวกังวลหลายๆอย่างเราก็เคยมีโอกาสพูดเรื่องพระเจ้าไปก็เลยย้ําเขาว่าลองอธิษฐานไหมพี่อธิษฐานขอพระเจ้าเขาก็หมดหนทางแล้วค่ะโอเคแล้วก็อธิษฐานด้วยกันใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าจะทํางานยังไงเนาะเราก็คิดว่าบางทีเราอาจจะคุยกับน้องผู้หญิงไหมหรือคิดหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้า ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นตอนเย็นก็โทรเช็คน ะ, ะพี่คะน้องเป็นยังไงบ้างพี่ขานั้นบอกว่าไงรู้ไหมคะโอ้โหอยู่ดีๆผู้ชายก็ติดธุระด่วนมาไม่ได้เนี่ยแล้วต้องไปต่างจังหวัดยาวเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พระเจ้าทำสิ่งที่เกินกว่าที่เราคาดหมาย บางทีพี่น้องตีกรอบให้กับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องทำแบบนี้ในกรอบที่เราคิดนี่คือความเป็นมนุษย์มนุษย์เราคิดได้แค่นี้เราก็ตีกรอบพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องทำแค่นี้แต่พระเจ้าทำเกินกว่าพระเจ้านอกกรอ บ, พ, รอกกอบพี่น้องจำชายตาบอดสองคนที่มาร้องขอให้พระเยซูช่วยได้ไหมคะบุตรดาวิดเจ้าค่ะช่วยข้าปรงด้วยเถิดพระเยซูก็ทาไมคะแตะต้องที่ตาของเขาแล้วก็รักษาเขาให้หาย ต่อมามีชายคนหนึ่งตาบอดนอ น, นั่งอยู่เขาก็ร้องให้พระเยซูช่วยและเขาเคยได้ยินว่าพระเยซูสามารถรักษาคนเจ็บให้หายคนตายพระเยซูก็สามารถทําให้ฟื้นได้ยิ่งกว่านั้นเขาเคยรักษาคนตาบอดด้วยร้องเรียกพระเยซูแล้วหวังให้พระเยซูมาแตะต้องที่ตาของเขาพระเยซูก็มาจริงค่ะมาใกล้ๆแต่พระเยซูไม่แตะที่ตาของเขาพระเยซูกับบ้วนน้ําลายของพระองค์ลงที่ดิน ทำเป็นคนแล้วก็แตะต้องที่ตาของเขาชายตาบอดก็งงเกิดอะไรขึ้นทำไมพระเยซูไม่แตะตาเขาเพื่อเขาจะหายพระองค์ทนอกกรอบเกินความคิดของเราสุดท้ายพระเยซูบอกว่าไปล้างตาของท่านเถิดแล้วท่านจะเห็นแล้วสุดท้ายเขาก็เห็นถ้าคนตาบอดคนนั้นมัวแต่คิดว่าพระเยซูต้องแตะ ต, ต้องตาเขาเท่านั้นเขาถึงจะหาย เขาไม่ไปหรอกไม่ไปล้างตาหรอกพระเยซูต้องแตะที่ตาเขาสิเขาถึงจะหายเขาก็จะไม่มีวันหายจากการตาบอดครั้งพี่น้องพระเจ้าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรานอกกอบเกินที่เราคิดเกินที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเหมือนที่ยากรอบกับยอนบอกว่าพระเยซูอยากให้ข้าพง้งสองนั่นนงซ้ายคนขวาคนจัดการให้กับพระเจ้าเสร็จสรร์เลย บางทีคำอธิษฐานของเราก็เป็นแบบนั้นพระเจ้าช่วยลูกด้วยนะลูกอยากได้อย่างเนี้ยลูกต้องทําแบบนี้แบบนี้เสร็จสรรพเลยบางทีเราสั่งพระเจ้ามากกว่าขอพระองค์ฉะนั้นพระเจ้ามีแผนการที่ซับซ้อนในชีวิตของเราพระเจ้าเกินกว่าที่เราจะเข้าใจอย่างหนึ่งขอให้เราเรียนรู้จักที่จะไว้วางใจในพระองค์ด้วยสุดใจอย่างที่สามที่พระเยซูอยากให้เราเป็นคริสเตียนแบบพระองค์ก็คือเป็นผู้สร้างสันติ ในข้อที่41ถึงข้อที่12บอกว่าเมื่อสาวก10คนได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองยากบและยอนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครองคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลาย พระเยซูปราถนาเจาะให้เราเป็นคริสเตียนแบบผู้สร้างสติเมื่อเกิดความไม่เข้าใจเมื่อเกิดความขุนเคืองใจระหว่างสาวกด้วยกันพระเยซูไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปค่ะพระเยซูเรียกเขามาเลยแล้วก็คุยแล้วก็สอนเดี๋ยวนั้นเลยไม่ล้อให้ตะวันตกดินเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ใช่ไหมคะว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปอย่าให้ตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ คุยเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยเพราะนี่เริ่มจากสิ่งเล็กๆขุน เ, เคืองใจไม่ถึงกับโกรธเลยนะคะเพราะความขุนเคืองใจถ้าปล่อยมันไม่ชำระไม่เคลียร์กันไม่สร้างความเข้าใจกันสิ่งเล็กๆความขุนเคืองเล็กๆจะกลายเป็นรากขุมลืนใหญ่ในที่สุดหลายคนรู้สึกโกรธมากกับคนบางคนเพราะเรื่องเล็กๆ ที่สะสมมานานสะสมความขุนเครื่องความโกรธจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดในหัวใจแต่สะสมพระดำรัสของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าทางเดียวท่านั้นถ้าเรารู้สึกขุนเครื่องไม่พอใจอยากให้เรารีบจัดการสร้างความเข้าใจกันเหมือนที่พระเยซูเป็นผู้สร้างสันติบางทีเราอาจจะ ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คำว่าขอโทษก็ละลายความกโกรธลงไปได้ยอมเป็นผู้สร้างสันติอย่าถือทิฐิต่อกันให้เรารีบจัดการสิ่งต่างๆที่ขัดทำให้หัวใจของเราไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกครั้งที่มานามัสการพระเจ้าใช่ไหมคะพรามพี่์ก็บอกเสมอว่า เมื่อเราเองขุนเคืองโกรธกับพี่น้องให้เราทำไมคะก่อนที่จะเข้ามาหาพระเจ้าให้เราไปคืนดีก่อนก่อนมาหาพระเจ้าเพื่อเราจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะเรากำลังเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้ในจิตใจฉะนั้นเมื่อเราเองรู้สึกเริ่มแค่รู้สึกนะคะถ้าเราผิดเองหรือ เหตุการณ์อะไรก็ตามอยากให้เรารีบทำความเข้าใจหรือให้สิ่งเหล่า น, นั้นออกไปจากตัวเราเร็วที่สุดถ้าปล่อยไว้สุดท้ายรากขมขื่นนั้นมันจะยิ่งหยั่งในชีวิตของเราถอนยากนานวันเข้านานวันเข้ายิ่งถอนยากทุกทีนั้นถ้าเราเองเรียนรู้จากที่จะทำสิ่งเหล่านี้ที่มันเกาะกวนหัวใจของเราให้ออกไป เราจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้สุดใจและรับพระพรอย่างเต็มที่จริงๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้สร้างสันติอย่างที่สี่ที่พระเยซูอยากให้เราเป็นคริสเตียนแบบโรงนั่นคือการเรียนรู้ที่จะดูแลผู้อื่นในข้อที่สี่สิบสองถึงข้อที่สี่สิบสี่นะคะได้บอกว่าพระเยซูเรียกเขามานะคะแล้วก็บอกว่า ผู้ที่นับเป็นผู้ครองคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายและผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นท่าสมัครของคนทั้งปวงเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่ให้กับคนเป็นอันมากพระเยซูกําลังสอนสาวก เพราะอีกหน่อยพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่พระองค์กลังสอนสาวกว่าการเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นาที่ดีฝ่ายพระเจ้าแตกต่างผู้นำฝ่ายโลกอย่างไรเพศสุขเห็นความแตกต่างฝ่ายโลกคนเป็นใหญ่กดขี่บังคับใช่ไหมคะใช้อำนาจแต่เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทเริ่มที่จะเอาแบบคำสอน ในพระคัมภีร์มาใช้ในบริษัทเห็นหลายๆคนเริ่มใช้พระคัมภีร์นี่แหละค่ะพี่น้องที่จันแนะแนวหนึงการดําเนินชีวิตแต่น่าเสียาที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้านั้นพระเยซูสอนชัดเจนเลยบอกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเวลาเขาทํางานคนที่เป็นใหญ่เนี่ยเขาก็ขดขีลูกน้องแต่ท่านคู่เป็นผู้ที่เชื่อใน ท่านผู้ซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่อยากติดตามพระเยซูท่านไม่ใช่แบบนั้นผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ผู้นั้นต้องรับใช้ผู้เล็กน้อยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นใหญ่หรอกเราไม่อยากที่จะรับตําแหน่งสูงๆหรอกแต่มันหลายๆอย่างมันบังคับพระเยซูไม่ได้หมายถึงแค่เราเองอยากเป็นใหญ่ค่ะแต่พระหมายถึงทุกคนใ เรียนรู้จักที่จะดูแลซึ่งกันและกันเรียนรู้จักที่จะใส่ใจซึ่งกันและกันเพระซู ก, ก็วางแบบอย่างไว้ในการที่โปรงทรงล้างเท้าสาวกความถ่อมใจความห่วงใยการดูแลด้วยความจริงใจทำให้ชีวิตเราเป็นพรไปสู่ผู้อื่นอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าลูตานมาที่คีจักแห่ง น, นี้ ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจเพราะความรักของพี่น้องเพราะความใส่ใจของพี่น้องมาครั้งแรกมาต้อนรับเลยมาพูดคุยกินข้าวคอยดูแลพาไปนั่งข้างล่างรู้สึกประทับใจและอยากมาที่นี่นี่คือเหตุผลที่มาคิดจักที่นี่ครั้งแรกนะ ต, ตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าได้ซ้ําเราเรียนรู้จักที่จะดูแลใส่ใจห่วงใ ย, ยผู้อื่นด้วยความจริงใจด้วยความถ่อมใจแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย จะเรียนรู้จักพระพรของพระเจ้ามากเป็นสองเท่าไม่เชื่อลองดูค่ะไม่อยากให้เชื่อนะคะแต่อยากให้ลองถ้าเราลองที่จะใส่ใจดูแลผู้อื่นด้วยความรักห่วงใ ย, ยเขาผู้ตันตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่บ้านแสนบ้านเปี่ยมรักนะคะสับสนสองที่นะคะหลายๆคนเปี่ยมรักคืออะไรนะคะเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะคะถ้าบอกว่าสํานักงานเพื่อคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยในเลยวนหลายหคนอาจจะรู้จักนะคะก็เป็นคริสจักรลูกของคริสจักรคริสตจักรนักูลอีกที่หนึ่งนะคะก็รับใช้ที่นั่นมาสามปีกว่าแล้วนะคะ้องกันย้ํากับน้องนักศึกษาเสมอว่าแม้เราเองไม่มีความสามารถอะไรแม้เราเองอาจจะไม่ดูเป็นผู้นําโดดเด่นอะไรแต่เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในสิ่งที่เราเป็นอย่างน้อยเราก็อธิษฐานได้อธิษฐานเผื่อได้ เราทําอะไรไม่เป็นอย่างน้อยเราก็ล้างจานได้เพราะที่นั้นเรากินข้าเราก็ล้างจานด้วยกันทําอะไรไม่เป็น น, ำนำํานมัสการแบ่งปันในกลุ่มเซลล์หรือประกาศไม่เป็นอย่างน้อยเรายิ้มเป็นแล้วเราก็พูดว่าพระเจ้าลักคุณพระเจ้าอวยพรได้บางครั้งบางคนพี่น้องคริสเตียนก็ต้องการกําลังใจคําหนุนใจผ่านทางรอยยิ้มและคําพูดบางทีพูดไม่เป็นเลยไม่กล้าพูดเขิน ก็ยิ้มฉะนั้นถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านเปี่ยมรักนะคะพี่น้องจะเห็นเด็กๆยิ้มนะคะถ้าใครยิ้มเยอะๆแสดงว่าเขาพูดไม่เก่งถ้าคนพูดเก่งๆก็เขาจะพูดกับพี่น้องเลยะคะฉะนั้นเราก็สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างแรกเลยแม่ทําอะไรไม่เป็นนั่นคือรอยยิ้มและคําทักทายเพซูปรารถนาที่จะให้เราเป็นคริสเตียนเหมือนกับพระองค์ ให้เราเรียนรู้ที่จะดูแลผู้อื่นด้วยความรักเหมือนกับธรามาาบัญญัติใช่ไหมคะที่พระเยซูสอนว่าหนึ่งจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเรียนรู้จักที่จะปริบัติและดูแลผู้อื่นเพราะอะไรคะเพราะเราแตกต่างเพราะอะไรคะเพราะเรามีพระเยซูคนที่ ไม่มีพระเยซูบางคนก็ยังทำได้เลยยิ่งกว่านั้นเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราทำไมเราจะทำไม่ได้วันนี้หนุนใจพี่น้องนะคะว่าการเป็นคริสเตียนอย่างพระเยซูอย่างแรกให้เราขอในสิ่งที่พระเยซูต้องการรับรองได้แน่นอนอย่างที่สองให้เราเรียนรู้จักที่จะวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจของเราจริงๆ อย่างที่สามให้เราเรียนรู้จักที่จะเป็นผู้สร้างสันติและอย่างที่สี่ให้เราเรียนรู้จักที่จะดูแลผู้อื่นด้วยความรักและความจริงใจสุดท้ายพระเยซูสรุปว่าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ยังมาบนโลกใบนี้เพื่อปรนิบัติผู้อื่นไม่ได้มาเพื่อรอการปรนิบัติแล้วเรา เป็นใครจริงเราไม่สมควรเลยด้วยซ้ําที่จะได้รับสิ่งดีจากพระองค์แต่เพราะพระเจ้ารักเราถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นคริสเตียนอย่างพระเยซูเยซูสอนเราตามพระเจนะในเช้าวันนี้ให้เราล้มใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าพระบิดาเราสารรเสริญโมทนายกย่องถึงความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิด เราเป็นคนเล็กน้อยและอ่อนกำลังปรารถนาเหลือเกินพระเจ้าปรารถนาที่จะเป็นคนนั้นที่ติดตามพระเยซูด้วยความรักเราอยากจะเป็นคนนั้นที่ติดตามพระองค์อยากจะเป็นเหมือนพระองค์แต่บางครั้งเพราะความเป็นมนุษย์คนบาปของเรามันทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้แต่พระเจ้าขอประทานกำลังม้กำลังที่จะทำได้ ขอให้เราเรียนรู้จักที่จะขอในสิ่งที่พระเยซูต้องการเรียนรู้จักที่จะขอในสิ่งที่เป็นความจําเป็นในชีวิตเรียนรู้จักที่จะขอในสิ่งที่เราทําไม่ได้แล้วเรียนรู้จักที่จะขอเพื่อผู้อื่นและวางใจในพระองค์เรียนรู้จักไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดใจอย่าให้เรากวนกวายเลยข้าพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงปลดเมตตาให้เราเองนั้น เรียนรู้จักที่จะเป็นผู้สร้างสันติถ้าเราเองเคยกโกรธผู้ใดขอพระเจ้าเมตตาให้เรายกททอให้กับผู้นั้นถ้าเราเคยทําให้ใครโกรธขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าโยกทให้กับเราด้วยเถิดพอเราปรารถนาจะเป็นเหมือนพระเยซูอยากที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นและสุดท้ายก็แต่พระเจ้าขอพระองค์สงโบรดเมตตาที่จะให้เราเอง เรียนรู้ที่จะดูแลผู้อื่นเป็นให้เราเรียนรู้ที่จะดูแลผู้อื่นด้วยความรักขอพระเจ้าเมตตาบางครั้งบางคนไม่น่ารักแล้วเราก็ไม่อยากที่จะทำแต่ขอพระเจ้าเมตตาประทานกำลังให้แก่เราเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเพราะเราแตกต่างเราไม่เหมือนคนอื่นขอพระยาทรงกรดเมตตาด้วยเถิดไวพรพี่น้องข้าพงทั้งหลาย ที่เขาจะมีกำลังซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์ที่เขาจะสามารถทำสิ่งต่างๆที่เขาทำด้วยตัวเองไม่ได้แต่พราะเรามีพระองค์เราจึงทำได้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่ น, น้องค่ะ